2. ทุติยภานวานพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีพอได้ทราบข่าวว่าท่านพระยศกากันดกบุตรประสงค์จะรับหน้าที่วินิจฉัย อธิกรณนนี้กำลังหาพักพวกและได้พักพวกแล้วครั้งนั้นแหละพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้ปรึกษากันดังนี้ว่าอาธิกเรื่องนี้ยาบคายรุนแรงทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้พักพวกที่ทำให้เข้มแข็งมากกว่านี้เล่าลำดับนั้นพวกภิกษุวัชีบุตร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 มาร่วมเป็นพักพวกก็จะเข้มแข็งยิ่งกว่านี้ต่อมาพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีจัดเตรียมสมณะบริขารอย่างเพียงพอคือบาดบ้างจีวรบ้างผ้าปูที่นอนบ้างกล่องเข็มบ้างประคตเอวบ้างผ้ากรองน้ําบ้างกระบอกกรองน้ําบ้างลําดับนั้น พวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีขนสมณบริขานั้นโดยสารเรือไปสหาชาตินครขึ้นจากเรือหยุดพักผ่อนฉันอาหารร่วมกันที่โคนไม้แห่งหนึ่ง